211กัมพลานุชาณนาธนิกถาว่าด้วยทรงอนุญาตผ้ากัมพลเป็นต้นเรื่องผ้ากัมพลราคาครึ่งกาศิยะสายสมสมัยนั้นพระเจ้ากาศีทรงส่งผ้ากัมพลราคาครึ่งกาศิยะ ไปพระราชทานแก่ชีวโกมารพัฒน์ลำดับนั้นชีวโกมารพัฒรับผ้ากรรมลครึ่งกาศิยะนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรชีวโกมารพัฒผู้นั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระองค์ผู้เจริญผ้ากำมพลของข้าพระองค์ผืนนี้ราคาครึ่งกาเสียพระเจ้ากาสีพระราชทานมาขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับผ้ากำมพลผืนนี้เพื่อประโยชน์และความสุขตลอดกาลนานแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับผ้ากำมพลแล้ว ชี้แจงให้ชีวโกมารพัฒเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้ว ก, กล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกาถาลำดับนั้นชีวโกมารพัฒผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้ว ก, กล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้ากรรมล